คือเนคขมะที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการเจริญอริยวงนั่นเองบวชเข้ามาปฏิบัติตามอริยวงทั้งหลายที่พระริยะในอดีต ท, ทุกพระองค์เคยปฏิบัติมาพระริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตพระริยะเหล่านั้นท่านก็อยู่ดารงอยู่ในอริยวงนั้นอริยวงก็คือการสันโดษในจีวรบิณฑบ า, า ท, ที่อยู่อาศัย และยินดีในการเจริญภาวนาตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเนคขมมะบารมีก็คือสมถาภาวนาทั้งหลายสมถะก็คือกสินสิบอนุสติสิบอสุภาสิบพรมมิหารสีอาหาเรปฏิกูลสัญญาท่าสีอรูปปชาญสีทั้งหลายท่านบอกว่าวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะที่กล่าวในวิสุทธิมัชย์อย่างพิสดารไม่ว่าจะเป็นกษินสิบ อาศัยพื้นฐานมาจากการรักษาทุดง13อสุภาสิบอานุสติสิบพรหมิหารสอรูปปชาญสอาหาเรปติกูลสัญญาหนึ่งจะตุธาตัววฐ า, านการกำหนดท่าอีกหนึ่งข้อความเหล่านี้ทิสดนอยู่ในวิสุทธิมรรคแต่ในวิสุทธิมรรคนั้นกล่าวแนวทางของผู้ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าพุทธสาวกทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ ก็ศึกษาและปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเหมือนกันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป้าหมายที่แตกต่างกันสาวกทั้งหลายทั่วไปเนี่ย น, ยเนยะเจริญสมถะเพื่อจะยกตนให้ออกจากวัตทุกข์ให้ออกจากสังสารทุกข์แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพียรประพฤติปฏิบัติในสมถะเหล่านี้เพื่อเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างสาวกทั้งหลายท่านเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตรธรรมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติโดยการสร้างอุปนิสยัยสร้างอัธยาศัยในเนคขมะสร้างอัธยาศัยสร้างเนคขมะบารมีเพื่อเป็นอุปนิสัยให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันในวิสุทธิมรร ข้อปฏิบัติเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ปรารบสาวกพโพธิยานส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ปฏิบัติปรารพสัมมาสัมโพธิยานประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่อบรมสมถะ ท, ทั้งหลายตามวิสุธทธิมรรคเนี่ยนะเราจะเห็นว่ากระแสทานท่อทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยหลั่งไหลอย่างมากมายหาที่เปรียบไม่ได้ กุศลจิตแต่ละวันแต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยหาประมาณไม่ได้แต่ว่ากุศลธรรมเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในสมถะอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้ แต่ละวันแต่ละวันขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ขอเป็นบาตให้เห็นอริยสัจเถอจะบรรลุตอนเช้าก็ได้ตอนสายก็ดีตอนเย็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะขอให้มันบรรลุเถอภายในวันนี้ขอให้บรรลุเถอพรุ่งนี้ต้องบรรลุเป็นต้นตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุทุกเช้าค่ำตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุตลอดวันตลอดเดือนและก็ตลอดปีตลอดชีวิตนี้ต้องบรรลุให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผู้ที่เป็น สาวกทั้งหลายท่านคิดอย่างนี้น้อมไปเพื่อนิพพทภาคิยะคือน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้น น, นะตั้งกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อให้กุศลเล็กน้อยกุศลธรรมเหล่านี้จะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นอุปนิสัยแห่งบุญกุศลเนี่ยนะเรียกว่าสืบพูดแบบสำนวนที่เราฟังอยู่บ่อยๆก็คือขูดร่องแห่งความคิดที่เป็นไปกับบุญกุศลว่า ให้กุศลธรรมเหล่านี้มันหลั่งไหลไปในในทิศทางนี้คือพระโพุทธศาสนาทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่พระโพธิสัตว์มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศึกษาปรับความรู้ปรับทัศนคติทําความเข้าใจในอธิศีลสิกขาทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วพยายามตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปฏิบัติเป็นประจํานี้ชีวิตขอดําเนินไปตามศีลที่พระพุทธเจ้า บัญญัติแสดงเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสมถะาทาั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงท่านก็เรียนรู้จนปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะเว้นไวแต่กลุ่มนี้เพธภ า, าคิยะเพราะท่านปฏิบัติเพื่อวิเศษภาคยะเพื่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยทกุศลธรรมทั้งมวลที่มีอยู่ในพระศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นพาเพียรพยายามที่จะเจริญที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องบรรลุภายในวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้หรือภายในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือบรรลุในฐานะสาวกแต่ปรารถนาว่าขอการตรัสรู้ของเราจงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้แห่งสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ การพ้นจากทุกขของเราจงเป็นไปเพื่อการพ้นจากทุกของสรรพสัตห์หาประมาณไม่ได้พังก็เลยน้อมไปเพื่อจะเจริญบุญกุศลสร้างอุปนิสัยสร้างอัธยาศัยเนี่ยนะสร้างคุณงามความดีเพราะบุญกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคู่ควรที่จะชักนําสัตว์ให้ออกจากโลกเรียกว่าโลกกันนายกเนี่ยนะพระผู้เป็นนายกของโลกนายกก็คือผู้นํา ผู้นำโลกให้ข้ามพ้นจากวัตทุกข์นำโลกให้พ้นจากสังสารทุกนี่มาดูข้อปฏิบัติปัญญาบ้างนะว่าปฏิบัติหรือเจริญปัญญานั้นเจริญอย่างไรท่านบอกว่าปัญญานะเป็นเหมือนกับแสงสว่างปัญญานั้นไม่อยู่ร่วมกับโมหะอันเป็นความมืดปัญญานี่คือความสว่าง ในโลกนี้ปกตินั้นต้องถือว่าเป็นโลกที่มืดมิดหุ่มห่ออยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยนะเพราะแสงสว่างคือปัญญาเท่านั้นเนี่ที่จะสอดส่องให้เห็นโลกตามเป็นจริงพราะปัญญาที่เปรียบเหมือนแสงสว่างพระโพธิสัตว์หวังความบริบูรณ์ในปัญญาหวังปัญญาที่จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปจะต้องเว้นเหตุแห่งโมหะเนี่ยนะมุ่งกำจัดอาหารแห่งโมหะตัดอาหารแห่งโมหะ ทำให้โมหะมันเฉาตายไปในที่สุดถามว่าโมหะนี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นอาหารของโมหะท่านบอกมีความริษยาเป็นอาหารเนี่ยนะโมหะนี่มีความริษยาเป็นอาหารก็ริษยาว่าโอ้คนนั้นเขาทาดีเกินเราแล้วคนนั้นเขาก็มีดีเกินเราเป็น้นก็มุ่งกําจัดความริษยา นะริสยาลาบสาการะชื่อเสียงสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คืออาหารที่อริดอร่อยของโมหะแล้วก็กําจัดอาหารของโมหะก็คือความเฉยชาเฉยชานี่คืออะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยกระเตื้งเท่าไหร่เนะเมื่อไหร่ก็อนุรักษ์ได้ตามเดิมเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีศึกษาธรรมะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยนะสิปีผ่านไปก็ฉลาดเท่าเดิมพวกนี้เรียกว่าพวกเฉยชา พวอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์สติปัญญาตอนไว้ก็เรียกว่าสติปัญญาไม่เจริญไม่งอกไม่เงยไม่งามอะไรเลยเฉื่อยชามากหมายก็ว่ากลุ่มนี้เฉื่อยชาในการเจริญกุศลนะแต่เรื่องอกุศลเนี่ยตื่ น, ต, นตื่นตัวทันทีเลยมันนะี่ยมันก็ไอความเฉื่อยชานี่เป็นอาหารของโมหะหรือความซบเซาเนี่ยนะซบสเซาเื่องซึมงเงายงเอาพวกเนี่ย ถือว่าเป็นอาหารอร่อยของโมหะโมหะมันชอบงอกเหนยมากปุ๋ยอย่างดีของโมหะนั้นก็กําจัดความเฉยชาออกไปกําจัดความซบเซาเนี่ยนะครับซบเซาในคล้ายมีงูชนิดหนึ่งนะั่นงูแมวเซาไอ้งูแมวเซาเนี่ยนะเขาเรียกว่างูตัวเนี้มันร้องเหมือนแมวก็เลยเรียกว่างูแมวเซาแต่ว่ามันจะมันชา้าลักษณะมันคล้ายๆกับงูเหลือมแต่ว่า มันสั้นงูเหลือมยาวแต่ว่าดูไกลๆเหมือนงูเหลือมแต่ว่ามันสั้นทีนี้ถ้ามันกัดใครเนี่ยนะคนนั้นจะง่วงง่วงง่วงหลับยาวเนี่ยนะกรับตลอดไปลักษณะแล้วก็เรียกงูแมวเสาเนี่ยเพะเวลาถ้ามันโกรธขึ้นมามันจะร้องเหมือนแมวถูกตีเงี้ย น, นะนีมันก็ร้องแบบนั้นเรียกงูแมวเสาร์พวกนี้กระหว่าซบเสารคล้ายๆแบบนั้นนะที่เกียรตหนักไปทางเกียรคร้านไม่หวังความเจริญงอกเงยอ้ย ซึมๆเนี่ยนะไม่รู้ทีนะมันครอบอะไรได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะว่าแปลกนะบางคนเนี่ยเพรเอ่ยคำว่าธรรมะเมื่อไหร่นะฮาวขึ้นมาแล้วนะเรามานี้เจอหลายคนนะเขาคุยเรื่องอื่นนะหูตาสว่างสวยไปหมดเลยนะแล้ว เ, เจอคุยธรรมะปับะ๊บเนี่ยก็ฮาวขึ้นมาเลยนะฮาวอยู่นั่นนะฮาวจนเราเกรงใจแบบนั้นเลยต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแค่นั้นแหะสว่างสวยไปหมดก็อาหารของโมหะอีกอันหนึ่งก็คือความเกียดครา้านเนี่ยนะความขี้เกียจเนี่ยนะพวกนี้ก็อนุรักษ์นิยม อนุรักษ์ความขี้เกียจก็ยินดีในคุณที่มีอยู่แล้วพอแล้วเนี่ยนะพอแล้วในด้านสติปัญญานะีก็เกียดครานยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูเชื่อได้ว่าชอบหมูแลว้วเพอร์เจอร์ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มีนะบางแห่งพระภิกษุเนี่ยนะบางรูปเป็นอย่งงางนั้นจริงๆเนละถ้าเดินดูที่ไหนเขาคุยกันบ้างเว้นแต่คุยธรรมะนะก็จะเข้าไปร่วมหมดเลยแต่ถ้าเริ่มมีเอ๊ได้ยินว่าตรงนั้นคุยธรรมะเดินห่างไปกล้เนี่ยนะ ถ้าในนั้นมีคนชอบคุยธรรมะอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาจะไม่เดินไปแต่ถ้าตรงไหนเดรชนะน์กาถาพูดเรื่องอเดรชาน์ทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะไปเป็นหัวหน้าเนี่ยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสนมันตั้งวงได้อะตั้งพักตั้งพวกเป็นสมาคมเดรชนะน์กาถามันพวกนี้ก็ยินดีในการคลุกคลีเป็นหมู่เป็นคณะชักชวนคุยแต่เวน้นแต่คุยเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องอื่นคุยได้หมดวิจารณ์อย่างละเอียดละอทียิบเว้นแต่คําสอนเั้น พวกนี้ก็เวลาเข้ามาอยู่เงียบๆก็หลับง่ายเนี่ยนะตื่นก็ไปหาพวกต่อไม่ตั้งใจมั่นแน่วแน่นเนี่ยนะพวกนี้จิตใจก็ค่อนข้างเรรวนรวนเรไม่ค่อยเอาแน่อานอนอะไรเนี่ยนะไม่มีความคือไม่มีความมุ่งมั่นอะไรซากอย่างเป็นคนที่ไม่มีทิศทางชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่มีทิศทางเพรา ะ, ะนี้ไอชีวิตที่ไม่มีทิศทางไม่มีความตั้งใจไม่มีเป้าหมายอันนี้ก็เป็นอาหารที่โมหะบอกว่าชอบเนี่ยนะ ปุ๋ยอย่างดีเลยนะก็อย่ามีเป้าหมายเลยอย่าไปตั้งความปรารถนาะไปเรื่อยๆก็ไปวันๆหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะคือว่าขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ขาดความชัดเจนคือไม่มีความชัดเจนก็เหมือนก็พว ก, กลากไปแต่พวกนี้ไม่ชอบพวกที่เจริญกุศล น, นะชอบพวกที่เจริญอกุศลเนี่ยนะ แล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของยาไม่สนใจในเรื่องของปัญญาไม่ชอบเรื่องของปัญญาอะไรที่เป็นอาหารของปัญญาไม่ชอบเนี่ยนะชอบแต่อาหารของความโง่เขลาแล้วก็ถือตัวแบบผิดๆเนี่ยนะสำคัญว่ารู้หมดแล้วรู้แล้วเนี่ยนะอย่างเขาเนี่ยฟังใครได้เขาระดับนี้แล้วเป็นต้นนะวันนี้ก็ถือตัวผิดๆสำคัญผิดๆ น, นะโง่อเรียกว่ากลุ่มบัณฑิตเทียมเนี่ยนะสคัญตัวว่าเป็นบัณฑิตไปเท่านั้นเองไม่มีการสอบถาม เรว่าอนะเนี่ยถ้าเป็นข่าวสารบ้านเรื่องราวทั่วๆไปเนี่ยโอ้ยสนใจจะถามซอกแซกล้อมหน้าล้อมหลังถามตั้งประเด็นในการเปิดเรื่องได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเวน้นแต่อรยิยสัจเนี่ยนะเงียบกริบเลยนะไม่มีการหาช่องหาแนวหาทิศหาทางแบบเพื่อฝ่ายรู้ไม่มีนะนะบอกโอ้ยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคำว่างนันนะปิดปิดหน่อยได้ไหมเทพธรรมะคว่างนันนะคล้ายแบบนั้นนะ จะไม่มีการสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นปั๊บเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไหนที่มันใกล้ต่อปานาติบาสใกล้ต่ออาทินนาทานใกล้ต่อกามีสุมิชฌาจารย์ใกล้ต่อมุสาวาใกล้ต่อพุสวาจาสุรามีรายการยินเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยไหนที่ไหนเมื่ออะไรอย่างไรเนี่ยโอ้ยถามละเอียดยิบไปหมดเลยแปลว่าโอ้ทรงจําแม่นหมดนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องคําสอนอริยสัจเอาไว้ก่อนนะแล้วพวกนี้ไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีดูแลร่างกายไม่เป็น ดูแลร่างกายไม่เป็นสัปปายะเลยเพราะพวกนี้นิ่งก็เป็นหลับแล้วนิ่งนิ่งเมไรก็แปลว่าเงียบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหลับไปเรียบร้อยแล้วเหมือนนั้นไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีให้เหมาะสมสุขภาพไม่ดีเลยเนี่ยนะเมื่อสุขภาพไม่ดีร่างกายที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนกับประทีบที่เศร้าหมองประทีบที่เศร้าหมองก็จุดเวลาจุดประทีบอย่างสมวา น้ำมันก็เป็นน้ำมันดำเคละเลยเนี่ยนะขี้ขม่าเต้ไปหมดไส้ก็เป็นไส้ชนิดเลวไส้ที่เศร้ามองแสงสว่างแห่งประทีบชนิดนั้นจะเป็นยังไงเรียกว่าควันนิขโมงหมดแต่สว่างนิดเดียวแต่ควันนิขโมงหมดสมัยก่อนเนี่ยน ะ, ะเขตละแวก บ, บ้านของเมาเนี่ยเพิ่งมามีไฟฟ้าใช้เมื่อประมาณปี30เห็นมะเมื่อปีส0ศนั่นก็เลยฉุดแต่ประทีบอยู่กับไอ้ปทีบนี่ตลอด นั้นถ้าใช้แบบนี้มันจะควันขมงไปหมดไอสว่างก็นิดเดียวเนี่ยนะแล้วควันก็กลุ่มรวมมาข้างบนเพดานเนี่ยก็ดำตีหมดะะันควันโั่ไปหมดอ่ะัลักษณะนั้นนะั้นพวกพวกนี้ก็เหมือนกันผู้ที่บริหารร่างกายไม่ดีเนี่ยนะดูแลสุขภาพไม่เป็นพวกนี้ก็โรคเสื่อซึมจะเกิดบ่อยร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยเมื่อร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยจิตใจก็ ย่ําแย่เคยเห็นคนป่วยหน้าร่างกายร่าเริงสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสไหมไม่เนี่ยนะฉันใดผู้ที่บริหารร่างกายไม่เป็นก็คือคนดีอ่ะแต่ป่วยว่าไงพรอบริหารไม่เป็นแล้วก็เมื่ออย่างนั้นร่างกายไม่ดีจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะใจก็ไม่ตั้งมั่นครบแต่คนโง่เนี่ยนะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยนะใครที่โงกว่าตัวนี่ชอบ ฉลาดกว่าไม่เอาละไม่คุยด้วยละเนี่ยนะเขาพูดอะไรเขาก็รู้ทันไปหมดพูดอะไรเขาก็รู้ไปหมดเขาดักถูกทางไปซะหมดเลยนะแต่พูดทำโง่โง่กว่าตัวเนี่ยชอบชอบโปรดปรานมากเนี่ยนะนะโปรดปรานคนที่โง่กว่าแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้คนมีปัญญาก็เรียกว่ารู้ว่าคนนั้นมีปัญญาฉลาดอธิบายได้ทุกเรื่องเข้าใจหมดเป็นโอ้ไม่เอาละห่างแล้วดีเนี่ยนะมาพวกนี้ก็ชอบคนที่โง่กว่าตัวหา่างแค่ว่าคบคนโงูห่างคนมีปัญญาเนี่ยนะ ทำใจไว้เถอะว่าคนนั้นเนี่ยงโง่โดยส่วนเดียวเนี่ยนะเคยมีแบบเามาอยู่แวดวงพระเนี่ยรู้จักพระหายรูปเรื่กันเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะมันก็เห็นเลยอนาคตรูปนี้อายุไม่ยืนเนี่ยนะอายุพันสาไม่ยาวแน่นอนเจอหน้ากันก็เออขอให้มีพันสายืนยาวนานห่างเหลือเกินคนมีปัญญาเนี่ยนะไปคบแต่พวกเดรฉานกระถาด้วยกันห่างคนมีปัญญา บางคนเนี่ยนะที่อย่างหนึง่งที่ปัญญาไม่เจริญก็เป็นคนที่ดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่เราเป็นคนเคขาเรามันคนปัญญาน้ยเราเป็นคนบุญน้อยทั้งทั้ที่ไม่เคยใช้ปัญญาเลยเนะก็อ้างแต่ว่าตัวเองเนี่ยปัญญาน้อยไม่ใฝ่รู้ไม่อยากรู้เพราะว่าไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วไอ้คนไม่อยากรู้เนี่ยหนักใจที่สุดคนที่เรียกว่าคนโง่หน้ากลัวว่าไอ้คนที่ไม่อยากฉลาดเนี่ยมันง่ากลัวกับนั้น คนโง่ก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วพวกอนุรักษ์ความโง่ต่อไปเนี่ยน่ากลัวกว่า น, นั้นอีกไอ้ไม่รู้นี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้ไม่อยากรู้เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทราบไม่ต้องการรายละเอียดทั้งนั้นอ่ะวันนี้ดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนะบางทีก็ดูหมิ่นตัวเองว่าเรามันยังงี้แล้วก็บางทีคนเหล่านี้เนี่ยดูหมิ่นตัวเองว่าเราไม่ฉลาดเป็นต้นแต่พวกนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะัคิดมาก บางคำเนี่ยนะที่เขาพูดไม่ให้คิดเนี่ยคิดคิดคิดอยู่นั่นแหละไม่รู้คิดให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะคิดอะไรก็ยังไงก็ไม่เห็นอริยสัจถ้าคิดเพื่อการแตกแยกเนี่ยโอ้ยชนานาญนักแรน่ยนะแต่ถ้าคิดเพื่อความสามัคคีเนี่ยไม่แต่ถ้าคิดว่าเอ๊นี่เขาด่าเรานะั่นเนี่ยเอ๊นี่คงนี้มันต้องว่า ก, กันชัดๆเลยอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเอ๊นี่เขาพูดคำหยาบกับเรานะั่นี่แล้วว่าสันหาแต่คำว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าเขาด่าเราหรือเปล่า เขาพูดให้เราแตกแยกกับใครหรือเปล่าเขาพูดเพื่อสร้างความเสียหายให้แกเราหรือเปล่าเอามาคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดจนเนี่ยไหนเกือบจะตกนรกแล้วแหละทีอาจจะตกไปแล้วก็ได้หลายคนนะนะมันอโยนิโสเนี่มันพาให้ใครควรคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องผิดผิดพวกนี้ก็อาหารของโมหะแล้วก็ยึดถือแบบวิ ป, ปริตวิ ป, ปรลาดยึดมั่นในกายมากเนี่ยนะพวกนี้สําคัญว่ากายตนเหมือนกับอมตะไม่แค่ไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะงดงามอยู่ตลอดไป และไม่มีสังเวกวัตถุอะไรเลยเนี่ยนะนรกไม่เคยใครว่านารกไม่เคยมีอยู่ในหัวใจที่จะเอามาคิดะนะ่นะเปรตอสุรกายเดรัจฉานความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์กในอดีต ท, ทุกที่จะมีในอนาคตทุกเพเกิดจากการสแสวงหาหารในปัจจุบันไม่สนใจสักอย่างไม่มีสังเวกวัตถุแม้แต่เรื่องเดียวใครจะตายเท่าไหร่ก็ช่างเถอะก็ไม่ใช่เราก็แล้วกันอะ่ะท่านพวกนี้ก็มีความสุขใช้ชีวิตเหมือนอมตะนิรนนันดร แล้วก็ปล่อยใจวันๆให้เป็นไปกับนิวรณ์ทั้งห้ากลุ่มลมเนี่ยนะการมาฉันท่านิวรณ์ก็กลุ่มรุมพยาบาลก็กลุ่มลมทีนมิทะก็กลุ่มรุมทั้นริษยาความเฉื่อยชาความซบเซาวความเกียจคร้านการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูลับง่ายจิตใจไม่แน่วแน่เป็นคนที่ไม่สนใจในปัญญาถือตัวผิดผิดไม่สอบถามบัณฑิตบริหารร่างกายไม่เหมาะสมจิตใจไม่ตั้งมั่นโคบแต่คนโง่ห่างคนมีปัญญาดูหมิ่นตัวเอง ใครควรเอาแต่เรื่องไม่สมควรมาคิดคิดแต่วิปริตยึดมั่นมากไม่มีสังเวกวัตถุกนิวรกลุ่มรุมอยู่ทั้งวันปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดบ้างแล้วเนี่ยนะเครีย mm hmm. กว่าพอประพริมพ์ประพรายบ้างนะทำท่าจะมีแววก็เลยหดเลยเนี่ยนะเรียกว่าทําท่าจะมีแ ว, ว่นนะดูเหมือนดีอ่ะเสร็จแล้วก็วอดไฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็เลยไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วก็เสื่อมหด้ายไปเพราะฉะนั้นพึงเว้นเหตุแห่งความรุ่มหลงเหล่านั้นนะพึงเว้นเหตุแห่งความโง่เขลาเหล่านั้นพึงทำความเพียรในพาหุสัจและในฌานทั้งหลายมันควรทำความเพียรในพาหุสัจก็คืออะไรในการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยนะได้เพียรเพื่อที่จะฟังมากเรียนรู้มากแล้วก็เพียรในฌานทั้งหลาย พาหูสัจจานั้นปัญญานี้อีกชื่อหนึ่งเรียกอะไรนะสัมมาทิฐิใช่ไหมปัญญาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฐิปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิเรียกว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือภาหูสัจจาก็คือการฝังมากปัจจัยภายในก็คือโยนิโมสมนัิการอันนี้ก็เป็นอาหารของปัญญาทีนี้มาดูลักษณะของพาหูสัจจ์หรือสุตตมย า, ยาน ันผู้ใดที่ฝักใฝ่เรียนรู้เพื่อให้มีปัญญาก็ต้องมีสุตตมยญาณเหตุที่จะทำให้มีสุตามยญาณมีอะไรบ้างก็คือการเรียนการเรียนการสอบถามในเรื่องขันห้าอายตนา12บสาสิดอริยสัจส์่อินรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12สติปทานส อันนัสัมมาประธานสีที่บาซีอินสีห้าพละหโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดกุศลติกะเป็นต้นเนี่ยนะทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นอพยากตะรมที่เกิดร่วมกับสุขธรำที่เกิดร่วมกับทุกข์ทำที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเป็นต้นก็คือเป็นคนที่ฝักใยในการเรียนรู้เนี่ยนะเป็นคนที่ใยรู้ที่จริงเนี่ยนะยังขันห้าอายตนา12บท่าสิบแบางคนฟังปั๊บง่วงเลย โอ้อะไรมันจะยากขนาดน้านูเห็นตัวเลขก็ซึมเศร้าไปหมดเลยนะขันทั้งห้าอายตนะตั้งสิบสอง่าตั้งสิบปดอริยสัตต์ตั้งสี่เนี่ยนะอินทรีย์ตั้งยี่บสองปฏิจจะตั้ง12บสองสติปทานอุ้ยโพธิปัจยธรรมมีตั้งสาสิบเจ็ดโอ้ยไม่ไหวแล้วท้อเลยนะ แต่ถ้าบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะโอ้จังหวัดนั้นน่าเที่ยวจังหวัดนี้น่าเที่ยวโอ้จําได้หมดเลยนะ <c oughs> ที่นั่นไปยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีที่พักกี่แห่งแต่และแห่งใช้บัตรเท่าไหร่อะไรกโอ้จำแม่นหมดเลยนะที่ไหนต้องไปหาใครพบกับใครก่อนอะไรก่อนโอ้จําแม่นหมดเลยนะหมายเลขโทรศัพท์กี่ตัวจําได้หมดเลยนะต <c oughs> ัวเลขโทรศัพท์มีเจ็ดตัวที่จําไม่หมดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะจะต้องไปหาอะไรแล้วมีอะไรน่าชมประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรมาบ้างจําแม่นหมดเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเก่งมาก แต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยอุย้ยมันเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันเครียดมันอะไรจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวถ้าเพื่อนเดราชานคาถานเนี่ยนะไม่เคยบอกว่ารับไม่จํากัดเพราะนั้นนะรับไม่จํากัดสมาคมนี่รับไม่ ร, รับไม่อันคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุม้มรัย์เนี่ยนะคะคุ้มรัพย์แต่ละคุม้มแต่ละคมโอ้ขุมนี่ก็ดีนะ ขมทรัพย์คือขันห้าขุมทรัพย์คือยตนาสิบสองขมทรัพย์คือท่าสิบแปดขมทรัพย์คืออริยสัจสี่ขมทรัพย์คืออินทรี่ห้าขมทรัพย์คือปฏิจจสมุปาสิบสอขมทรัพย์คือสติประธานสี่ขมทรัพย์คือสัมมาประธานสี่เป็นต้นถ้าเรามองเห็นเป็นขมทรัพย์เป็นแหล่งอริยทรัพย์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ควรฝ่ายรู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ฟังแล้วก็แหมอยากจะกําหนดจดจําให้มันมีท่าแห่งความใยรู้อยู่ในใจบ้างแล้วว่างั้น ถ้าอย่างนี้ก็เรียก อ, อัธยาศัยของคนที่มีพาหูสัจจะเนี่ยนะบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาจะชอบฟังเรื่องที่ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ปรารถนาสิ่งที่รู้มาก่อนแล้วให้มันลึกยิ่งที่สุดเท่าที่จะลึกได้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกว้างได้อยากจะฟังสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็ขยายให้มันถึงที่สุดของวิชาแขนงนั้นน่ะ ให้มันถึงที่สุดมองทะลุโ ป, ป, ปรงทั้งหมดแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยมีธาตุรู้แบบนั้นนะนะเรียกว่าธาตุแห่งความใฝ่รู้ปัญหาใครที่มีธาตุแห่งความใฝ่รู้ได้คนนั้นทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยพวกนี้เจริญปัญญาไม่มีที่สุดเนี่ยนะจนปัญญาปริตตะเป็นมหคตะเป็นอัปมาณะพัฒนาคุณภาพของปัญญาไม่สันโดษเหมือนกับว่ากลางคืนไม่สันโดษในแสงสว่าง ให้มันมันสว่างที่สุดเท่าที่จะสว่างได้สว่างขนาดไหนได้ยิ่งดีเพราะอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงแห่งปัญญาเนี่ยรับหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าขันห้าก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้มีให้แสงสว่างคือปัญญากว้างขวางยิ่งขึ้นอยนายตนะสิบสองก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ปัญญานี้กว้างขวางยิ่งขึ้นนันจึงมีความสุขการฟังขันอยนายตนะท่าสัจจอินทรีปฏิจจสมุป บ, บาท เป็นต้นเนี่ยนะจนถึงโพธิปัจจะธรรมหรือธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษฟังกรรมและฝังผลของกรรมเป็นต้นหรือแม้กระทั่งศิลปะวิทยาฐานะที่ไม่มีโทษความรู้ที่ไม่ได้น้อมไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะก็เรียนรู้วิชาการเหล่านั้นตลอดจนถึงการพยากรณ์วิเศษก็คือการโต้การตอบการแก้ปัญหาสิ่งใดที่จะนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พพึงให้เกิดสุตตะมยะปัญญาเนี่ยนะพระภูติศาสตร์ทั้งหลายก็พึงฝักใฝ่แสวงหาสุตะมยะปัญญาด้วยการอย่างลงสู่สุตตะวิสัยทุกอย่างและทุกประการพวกนี้ถือว่ามองเห็นความรู้นี่เป็นอาหารที่อริดอร่อยอย่างคล้ายๆนะพระเจ้าสุตโสมเนี่ยนะสุตะบวกโสมะโสมะนาคล้ายพระจันทร์สุตตะแปลว่าผู้ที่ใฝ่รู้เพราะโดยที่สุดแม้กระทั่งข้าทาสกรรมกรพูด จะ ต, ตั้งใจฟังขอให้มันเป็นศิละปะวิทยาเกี่ยวกับความรู้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าใช้จ่ายให้กับความรู้ไม่จํากัดนะอย่างเช่นฟังคาถา4บาทเนี่ยก็โอจ่ายเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพันเหมือนกันเถอะเพราะเพราะเป็นคนที่ฝ่ายรู้ยินดีในความรู้แต่ในโลกนี้บางคนเนี่ยก็โอหนังสือมันจะแพงขนาดไหนสะสมหมดเว้นแต่พระไตรวิดกเหงือนกันบางคนเนี่ยโอ้เก็บรวบรวมเนี่ยนะของเงินจะท่วมบ้านนะนะเว้นแต่พระไตรวิดกไม่ขอเอาเข้าบัญชีด้วยนะ หนังสืออย่างอืนเนี่ยเก็บเก็บเก็บไปหมดเลยนะขยะมูลฝอยตั้งแต่สมัยไหนเก็บหมดอะ่ะเว้นแต่พระไตายไปดกเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ไม่รู้เก็บไว้ทําอะไรยี่สบสาสิบปีไม่รู้ไปอ้างให้ใครฟังไม่ทราบถ้าเก็บพระไตายไปดกขนาดนี้นะโอ้ติ้งทะเลนี่นะว่าอันพระตายไปดกเท่ากับหนังสือพิมพ์เนี่ยไดดีได ด, ไ ด, ดีไปนานลนะแล้วเนี่ยนะอย่าก็นี้ก็ต้องฝักฝ่ายรู้เนี่ยนะฝักฝ่ายที่จะทําให้มีสติปัญญาว่าปัญญาเนี่จะเกิดได้อย่างไร ที่เราจะเรียนรู้ในความรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าความรู้ในเรื่องขันอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุป บ, บาทโพธิปักยธรรมกุศลอกุศลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของปัญญาเนี่ยนะเป็นอาหารของสติปัญญาเป็นอาหารของความไม่ลุ่มหลงเป็นอาหารของความไม่โง่งงมงายเนี่ยนะเราจะได้รู้ความจริงแต่ว่าต้องเป็นคนที่รักรู้รักที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะมีความสุขที่รู้ ความจริงเพราะอาริยศาสตร์ก็คือความจริงที่สุดยอดมันท่านต้องการรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงเหล่าใดที่จะช่วยทำให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะน้อมไปฝักใยเพื่อจะรู้เหตุแห่งความพ้นทุกมันจึงภาพเพียรด้วยกว่าวระดมระดมคุณธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาระดมสติระดมความเพียรมาเพื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ในขันอายตนะท่าสัจจะอินทรปฏิจจะสมุบาโทโพธิปักจยธรรมคิดอีกในหนึ่งะนะะพระหุสัจจาก็เรียนอะไรก็เรียนสุตตม ย, ยาญาณทั้งหลายอะไรคือทรรมที่ควรรู้ยิ่งมีอะไรบ้างขันหควรรู้ยิ่งอายตนะ1ิบสองเป็นต้นควรรู้ยิ่ง ทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกำหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรเจริญทำที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแห่งกุศลทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งความตั้งอยู่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นเหตุพิเศษแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหตุให้กุศลเนี่ยนำออกจากวัฏฏะทั้งหลายได้อันนี้จังเป็นยังไงสิ้นยังไงทุกครั้งน่ากลัวยังไงอนนาตาไม่มีสารายังไง นะอริยสัจ ท, ทุกควรกาหนดรอบรู้อย่างไงสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรตามไม่แจ้งอย่างไรอริยมรรคควรเจริญได้อย่างไรมันจึงมีการเรียนการฟังกันทรงจําแล้วก็สะสมการสอบถามด้วยดีเนี่ยนะฝ่รู้เป็นคนที่ฝ่ายรู้มันสอบถามแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วแนะนําให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในปัญญาเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะก็คือ เป็นคนที่ไม่อะไรนะไม่สันโดษในความรู้เพิ่มพูนความรู้แต่ก็ไม่ระหนีความรู้น้อมความรู้ไปให้ผู้อื่นได้มีความรู้บ้างนนะน้อมไปว่าทำาฉนคนเหล่านั้นจะได้มีความรู้เช่นนี้บ้างรู้ในคำสอนเหล่านี้มีประโยชน์นะคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่จะนำออกจากทุกถ้าท่านรอบรู้ขันหว่าเป็นกองทุกรู้เหตุแห่งเกิดแห่งขันหความดับแห่งขันห้าข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งขันห จะช่วยทำให้พ้นทุกข์จึงมีการพิจารณาวิจัยในข้อธรรมะโดยประการต่างๆเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประตูอมตะดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถือเลยว่าคำสอนทั้งหมดคือประตูแห่งประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งการตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าท่านจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไร ก็ตรัสรู้แบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้พันท่านเหล่านั้นจึงฝักใฝ่ที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะท่านน้อมไปเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นไม่อย่างนั้นในอย่างคนที่เขาสําคัญตนผิดว่าเขารู้แต่รู้คนละเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีท่านไม่ต้องการรู้ผิดผิดท่านไม่ต้องการรู้ผิดพลาดท่านต้องการรู้จริงๆว่าคําสอนอ่า สิ่งที่ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรมันจึงน้อมไปฝักใยที่จะเรียนรู้ในแง่ของคำสอนทุกแง่ทุกหมวดทุกแงม่มุมเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ไม่ต่างกันเหมือนกับดวงอาทิตย์สองสว่างในโลกวันไหนที่ไม่มีเมฆมัวดวงอาทิตย์วันไหนมันก็สองสว่างเหมือนกันฉันใดดวงอาทิตย์สองสว่างก็เห็นความจริงฉันใด พุทธยานทั้งหลายก็ฉันนั้นผู้ที่ฝักฝ่ายปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงรู้เรียนรู้เนี่ยนะท่านโดยมากพระโพธิสัตว์ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะแม้อดีตชาติทั้งหลายทรงพระไตรปิฎกหลายชาติแม้แต่สมัยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระโพธิสัตว์โชติปารละมานพก็ส่งพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็มีการประกาศอริยสัจธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่มีการสแสดงธรรมมากเป็นต้นเพรัะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ใยรู้เรียกว่าใยรู้ไม่มีจบมีสิ้นมีแต่เพิ่มความรู้เนี่ยนะจนกว่าเรียกว่าความรู้ตอนต้นบอกว่าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างอย่างแสงสว่างเล็กน้อยมันก็ส่องได้เล็กน้อยถ้าใหญ่ขึ้นก็ส่องได้กว้างขึ้นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฝักใยที่จะให้มีปัญญาเท่ากับ แสงสว่างเท่ากับดวงอาทิตยามเที่ยงวันไม่มีปราศจากเมฆหมอกและหมอกมัวเป็นต้นที่จะทำให้อึมครึมเนี่ยไม่มีมีแต่ความครู้ความเห็นความเข้าใจที่ชัดเจนทะลุโ ป, ปร่ปรงโดยรอบด้านสำหรับวันนี้นะฟังจริยาปิฎกก็องใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้เจริญงอกงามด้วยทานศีลเนคธรมปัญญา ตามพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้อริยสัจตามพระองค์ท่านทุกคนทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้